วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2562เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษา คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการที่จะศึกษาฟังเทศฟังธรรมให้เกิดผลให้เกิดคนเกิดประโยชน์ การฟังธรรมจำเป็นที่จะต้องฟังด้วยกายวาจาและใจที่สงบถ้ากายวาจาใจไม่สงบการฟังเทศฟังธรรมจะไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ขึ้นมาดังนั้นเวลาฟังธรรมจึงควรตั้งใจฟัง ตั้งกายวาจาให้อยู่ในความสงบคือกายควรจะนั่งเฉยๆไม่ควรทำอะไรไม่ควรเคลื่อนไหววาจาก็ไม่ควรพูดคุยกันใจก็ให้ตั้งอยู่กับการฟังเทศน์ฟังธรรมอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ นี่คือวิธีการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์คือปัญญาความรู้ที่จะพาให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆการฟังด้วยกายวาจาที่สงบนี้ก็คือสีลกายสงบกายไ ไม่เคลื่อนไหวไม่พิษทำผิดอะไรไม่ทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีวาจาก็อยู่ในความสงบไม่พูดปดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดเรียกว่าศีลส่วนใจที่ตั้งยึดตั้งมั่นอยู่ในการฟังธรรม ไม่ไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆก็เรียกว่าสมาธิถ้ามีศีลมีสมาธิการฟังธรรมก็จะเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาอย่างในสมัยพุทธกาลในยุคแรกๆของการเผยแผ่พระาศาสนา พระพุทธเจ้าทรงมุ่งไปสอนผู้ที่มีศีลมีสมาธิสมบูรณ์แล้วคือพวกนักบวชทั้งหลายพวกนักบวชนี้เขามีศีลบริสุทธิ์มีจิตตั้งมั่นอยู่ในสมาธิระดับต่างๆคือในระดับฌานต่างๆในระดับรูปฌานอารูปฌาน เป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับธรรมคือปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดสรู้ได้ส่งค้นพบพอทรงแสดงธรรมให้กับผู้ที่มีศีลมีสมาธิสมบูรณ์ผู้ฟังก็บรรลุธรรมขั้นต่างๆขึ้นมาได้เลยครั้งแรกทรงแสดงธรรมให้กับพระปัญจวัคคี หลังจากที่เสด็จเสร็จจากการแสดงธรรมหนึ่งในพระปัญจวัคคีคือพระอัญญาณโกลทัญญาก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันขึ้นมาทันทีเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนา เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบสามองค์คือมีพระพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้แสดงพระธรรมคำสอนมีผู้ฟังและได้บรลุธรรมเป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นมาจึงปรากฏเป็นวันแรกของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา จะเป็นพระพุทธศาสนาขึ้นมาได้สมบูรณ์ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบองค์วันนั้นจึงเป็นวันเหมือนกับวันเกิดของพระพุทธศาสนาวันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนเป็นขั้งแรกทรงแสดงพระธรรมมาจากกับปวัตตนสูตรให้แก่พระปัจจวัคคีในวันเพ็ เดือนแปดวันอาสาหะบูชานี่เองนี่คือตัวอย่างของการฟังธรรมให้เกิดคุณ <c oughs> ให้เกิดคุณ <c oughs> เกิดผล <c oughs> เกิดประโยชน์ขึ้นมา <c oughs> จำเป็นที่จะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบอา น, นิสงส์ของการฟังธรรมที่พึงจะได้รับนี่ ก็มีอยู่5ข้อด้วยกันคือ 1. จะได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. พระธรรมคําสอนที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับ 3. จะกําจัดความลังเลสงสัยต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้สี่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิปัญญาหรือดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาห้าทำให้จิตใจผ่องใสสงบมีความสุขนี่คือประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังเทศน์ฟังธรรม สำหรับท่านที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนมาก่อนก็จะได้ยินได้ฟังได้รู้เรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทรงสอนให้กระทาอะไรบ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนี้เป็นคำสอนเพื่อให้เกิดความสุขใจขึ้นมาเป็นการหาความสุขแบบ ไม่มีโทษไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีทุกข์ตามมาต่างกับความสุขแบบอื่นเช่นความสุขที่หาได้จากการไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความสุขแบบนี้มักจะมีโทษมีทุกข์ตามมาทีหลังเนื่องจากเป็นความสุขที่ ไม่เที่ยงแท้แนะ่นอนเวลาได้เสพได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูก อ, อกถูกใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาพอความพอรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้เสพได้สัมผัสจางหายไปความสุขที่ได้ก็จะจางหายไปแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือความทุกข์ใจความเสียใจน นี่ไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าทรงค้นพบวิธีที่จะหาความสุขแบบที่จะทำให้ไม่เสียใจไม่ให้ทุกข์ใจถ้าเปรียบเทียบกับถ้าเป็นอาหารก็เป็นอาหารที่ปลอดสารพิษอาหารสมัยนี้เราก็รู้อยู่ว่าบางชนิดนี้จะมีสารพิษ ผสมอยู่ด้วยเนื่องจากมีการผลิตหรือว่ามีการขั้นตอนของการผลิตอาหารที่จำเป็นที่จะต้องใช้สารบางชนิดที่เป็นสารทำให้ก่อมะเร็งขึ้นมาได้เราคนที่รู้เรื่องคนฉลาดก็เลือก กินอาหารที่ปลอดสารพิษกันผักปลอดสารพิษเป็นต้นแต่คนที่ไม่รู้เรื่องก็จะบริโภคอาหารไปโดยที่ไม่ได้เลือกว่ามีสารพิษหรือไม่มีสารพิษพอไปบริโภคอาหารที่มีสารพิษเข้าไปร่างกายก็เริ่มเกิดโรคมะเร็งขึ้นมาฉันใด การหาความสุขแบบมีทุกข์ก็เป็นเช่นนั้นการการหาความสุขจากไม่มีทุกข์ก็เป็นเหมือนกับอาหารที่ปลอดสารพิษการมีหาความสุขแบบมีความทุกข์ก็เป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารที่มีสารพิษเนี่ย ความสุขในโลกนี้จึงแยกเป็นสองชนิดความสุขที่ปราศจากความทุกข์และความสุขที่มีความทุกข์ตามมาความสุขที่มีความทุกข์ตามมีมาได้แก่อะไรก็ได้แก่ความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เองความสุขเหล่านี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะพ้นพิษ ให้แก่ผู้บริโภคเวลาที่มันเปลี่ยนไปหรือเวลาที่มันเสื่อมไปหรือหมดไปนั่นเองเวลาได้ลาบยศสารเสริญได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสก็มีความสุขเวลาที่ลาบยศสารเสริญหรือรูปเสียงกลิ่นรสเสื่อมไปหรือหมดไปเวลานั้นความสุขก็หายไป ความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ถ้าไม่ต้องการที่จะเจอความทุกข์ที่เกิดจากการเสื่อมของลาบยศสารเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ควรที่จะไปเสพความสุขแบบที่ไม่มีทุกข์ตามมาจะดีกว่าเลอกหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะ เลิกหาความสุขจากการมีลาบยศสรรเสริญให้มาหาความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้หากันดีกว่าวความสุขข้อที่หนึ่งที่พวกเราหากันได้ที่พวกเรากำกลังหากันในขณะนี้นั่นเองก็คือความสุขที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเวลาเราฟังเทศฟังธรรม ใจเราไม่ไปคิดถึงเรื่องราววุ่นวายต่างๆใจเราก็จะเย็นจะสงบแล้วความสุขที่เกิดจากความเย็นความสงบ ก, ก็จะปรากฏขึ้นมามีเป็นวิธีการหาความสุขในอันดับที่หนึ่งเออควรจะฟังเทศฟังธรรมถ้ามีเวลาว่างแทนที่จะไปดูหนังดูละคร ไปฟังเพลงไปเที่ยวไปกินไปดืม่มลองมานั่งฟังเทศฟังธรรมกันดีกว่าจะได้ความสุขที่ดีกว่าแล้วจะได้ยินได้ฟังวิธีหาความสุขแบบอื่นอีกด้วยเพราะความสุขแบบไม่มีสารพิษนี้มีอยู่ถึงสิบวิธีด้วยกันความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ ว่าถ้าอยากจะมีความสุขกันให้มาหาความสุขแบบที่พระเจ้าได้สรงค้นพบกันวิธีแรกก็คือให้มาฟังเทศฟังธรรมกันฟังแล้วก็จะมีความสุขแล้วจะได้เรียนรู้วิธีที่จะหาความสุขอีกเก้าวิธีว่ามีอะไรบ้างวิธีที่สองในการหาความสุขที่ไม่มีพิษไม่มีทุกข์ตามมา ก็คือหาความสุขด้วยการทำทานด้วยการแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหรือประโยชน์สุขที่เรามีให้แก่ผู้อื่นเวลาเราได้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นความสุขนั้นมันจะกลับเข้ามาหาเราเวลาทำทานแล้วเราจะรู้สึกมีความอิ่มใจสุขใจสบายใจนี่คือ ความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะว่าถ้าเราเวลาที่เราไม่ได้ทำทานเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรไม่เหมือนกับเวลาที่เราไม่ได้เที่ยวเวลาไม่ได้เที่ยวเราจะรู้สึกทุกข์รู้สึกเดือดร้อนเวลาเราได้เที่ยวเราจะรู้สึกมีความสุขแต่พอเงินหมดไม่มีเงินเที่ยว หรือไม่สบายไปเที่ยวไม่ได้ความสุขก็ไม่เกิดสิ่งที่เกิดแทนก็คือความทุกข์ความหงุดหงิดลาคาญใจความเหงาความว้าวเวยความซึมเศร้านแต่ถ้าเราเอาเงินทองไปทําบุญทําทาน ก, กันเราก็ได้ความสุขเวลาที่เราไม่มีเงินทําบุญทําทาน เราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเราสามารถเอาความสุขเก่าที่เกิดจากการทําบุญทําทานนี่มาเสพใหม่ได้ทุกครั้งที่เราลึกถึงบุญที่เราเคยทําไว้เวลาเราลึกถึงมันมันก็ทําให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาได้ต่างกับทุกครั้งที่เราระลึกถึงสถานที่ที่เราเคยไปเที่ยว พอนึกถึงแล้วไม่ได้ไปก็ทำให้เรารู้สึกเหงารู้สึกว่าเวห่ขึ้นมานี่คือวิธีที่สองของการหาความสุขที่ไม่มีทุกข์ตามมาคือให้หาความสุขด้วยการทาทาทานแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้แก่ผู้อื่นสิ่งที่เหลือกินเหลือใช้ที่เราไม่เดือดร้อนที่จะให้แบ่งให้กับผู้อื่นไป ถ้ามีข้าวของเงินทองก็แบ่งข้าวของเงินทองไปถ้าไม่มีข้าวของเงินทองแต่มมีวิชาความรู้ก็แบ่งวิชาความรู้ให้แก่ผู้อื่นไปได้ <c oughs> สอนผู้อื่นให้มีความรู้ต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าตอบแทนเช่นคนที่มีความรู้ทางการศึกษาก็อาจจะสอนเด็ก ที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเรียกว่าสอนกวดวิชาให้แก่เด็กโดยที่ไม่คิดเงินทองอย่างนี้ก็เป็นการทำทานอีกอย่างเรียกว่าวิทยาทานถ้าไม่มีเงินก็ใช้ความรู้ที่เรามีอยู่ก็สามารถทำให้เรามีความสุขได้ เวลาที่เราได้แบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้ที่เขาไม่รู้เพื่อที่เขาจะได้เอาความรู้ไปทำประโยชน์ไปทำความสุขให้กับเขาอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขวิธีที่สามในการสร้างความสุขถ้าเราไม่มีเงินทองไม่มีความรู้ แต่เรามีกำลังกายมีเวลาว่างเราก็ใช้กำลังกายและเวลาว่างของเราไปรับใช้ผู้อื่นไปรับใช้สังคมเป็นอาสาสมัครให้กับองค์กรต่างๆไปช่วยทำงานตามที่ต่างๆโดยไม่คิดเงินทองเช่นบางท่านก็มาวัดมาช่วยกวาดลานวัดมาช่วยทำความสะอาดห้องซ่วม หรือเวลามีงานอะไรต่างๆเช่น ง, งานกระถินงานภ้าป่างานบวชที่ต้องมีการทำงานหลายอย่างก็มาเป็นอาสาสมัครรับใช้สังคมอันนี้ก็เป็นวิธีสร้างความสุขอีกแบบหนึ่งเป็นความสุขที่จะทำให้เราไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่เรา ไม่มีงานอาสาสมัครให้ทำเราก็จะไม่รู้สึกทุกข์เดือดร้อนนี่คือการสร้างความสุขแบบที่สามคือการรับใช้สังคมหรือช่วยเหลือผู้อื่นเห็นผู้อื่นที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน เราไปช่วยเขาตามกำลังของเขาของเราถึงแม้เราจะไม่มีเงินทองเราก็มีกำลังกายช่วยงานช่วยบรรเทาภาระของผู้ที่เขาเช่นคนแก่คนชราคนพิการอย่างนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นเราไปช่วยเหลือเขาแล้วมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมา วิธีที่สี่ของการสร้างความสุขโดยไม่มีทุกข์ก็คือการอุทิศความสุขที่เราได้จากการทำทานจากการช่วยเหลือผู้อื่นนี้ให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วได้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วบางทีเขาไม่มีบุญติดตัวไปไม่มีความสุขติดตัวไปเขาไม่ได้สร้างความสุขไม่ได้สร้างบุญ ในขณะที่มีชีวิตอยู่พอไปเป็นดวงวิญญาณก็ไม่สามารถหาความสุขโดยใช้ร่างกายได้ก็ต้องมารอรับส่วนบุญมารอรับความสุขของผู้ที่มีชีวิตอยู่เช่นพวกเราเวลาทาบุญทำทานเสร็จเวลาพระท่านอนุโมทนาให้พร เราก็จะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยบุญกุศลที่เราอุทิศไปก็คือความสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการทำบุญนี่เองทำบุญด้วยการให้ทานหรือทำบุญด้วยการเป็นอาสาสมัครรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่น อันนี้เราก็สามารถแบ่งความสุขที่มีอยู่ในใจของเราให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้พอที่จะทำให้ผู้ที่ล่วงลับนี้มีความสุขบ้างดีกว่าไม่มีเลยเนีนี่ก็เป็นวิธีหาความสุขแบบที่สี่คือหาความสุขด้วยการอุทิศบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล วิธีอุทิศบุญนี้ความจริงไม่ต้องใช้น้ำก็ได้เพราะน้ำนี้ไม่ใช่บุญน้ำนี้เป็นเพียงตัวอย่างของบุญเหมือนบ้านตัวอย่างเวลาเราจะไปซื้อบ้านเขาจะมีบ้านตัวอย่างให้เราดูเพื่อเราจะได้เห็นภาพของบ้านที่เราจะไปอยู่ว่าเป็นอย่างไรถ้าเขาไม่สร้างบ้านตัวอย่างบางทีเราก็นึกไม่ออกมองไม่เห็น ฉันใดบุญคือความสุขใจอิ่มใจนี้ก็เป็นเป็นนามมารมไม่เป็นรูปธรรม ท, ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าๆของเราเขาเลยต้องเอาน้ำนี้มาเป็นตัวอย่างมีน้ำใส่ภาชนะอยู่ภาชนะหนึ่งแล้วเวลาอุทิศบุญก็ให้เทน้ำจากภาชนะหนึ่งไปอีกภาชนะหนึ่ง ภาชนะทั้งสองภาชนะนี้ก็คือใจของผู้ให้กับใจของผู้รับนั่นเองส่วนน้ําก็คือบุญหรือความสุขใจจากใจหนึ่งไปสู่อีกใจหนึ่งนั่นเองนี่คือเป็นเป็นตัวอย่างของการแบ่งบุญจากใจหนึ่งไปสู่อีกใจหนึ่งซึ่งไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ใจหรือบุญนี้เป็นนามนธรรมเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อของเราตาของร่างกายเราเราก็เลยเอาของจำลองบุญจำลองใจมาเป็นตัวอย่างให้ดูเอาภาชนะใส่น้ำภาชนะหนึ่งแล้วก็เทน้ำจากภาชนะนั้นไปสู่อีกภาชนะหนึ่ง เรียกว่าเป็นการถ่ายบุญเป็นการส่งบุญนะแต่ความจริงบุญของเราที่มีอยู่ในใจนี้เวลาเราอุทิศนี้เราอุทิศด้วยการเราลึกภายในใจของเราเช่นพอเราทําบุญเสร็จเรามีความอิ่มเอิบใจสุขใจจากการทําบุญจากการเสียสละเราก็นั่งอุทิศได้เลยไม่ต้องรอให้พระให้พร ไม่ต้องรอให้พระมาสวดญาตถาสัพพีไม่เกี่ยวกันสวดไม่สวดก็ไม่ได้ทําให้บุญนี้หายไปหรือมีเพิ่มมากขึ้นบุญนี้ไม่ต้องใช้พระเป็นช่วยเป็นผู้ช่วยส่งไปให้เราต้องเป็นคนส่งไปเองส่งไปด้วยการระลึกภายในใจ ว่าขอที่ส่วนบุญที่ได้ทำในวันนี้ให้กับท่านนั้นท่านนี้ที่ร่วงรับไปแล้วถ้าท่านรอรับส่วนบุญนี้ก็ขอรับไปได้เลยทำแค่นี้ก็เสร็จแล้วไม่ต้องไม่ต้องสวดคาถาบาลงบาลีอะไรที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจสวดไปแล้วบุญไม่ไปเพราะเราไม่เข้าใจ เราต้องเข้าใจความหมายของคำสวดบุญถึงจะไปได้ฉะนั้นเราอุทิศด้วยคาภาษาที่เราเข้าใจคือภาษาของเรานึกไปภายในใจว่าขอทิศส่วนบุญนี้ให้กับท่านนั้นท่านนี้บุญนั้นก็จะไปถึงผู้รับทันทีถ้าเขารอรับอยู่นี่คือเรื่องของการอุทิศบุญ ทำบุญแล้วได้บุญแล้วสามารถเอาบุญที่เราได้นี้แบ่งให้กับผู้ที่ลงลับไปแล้วได้เพราะผู้ที่ลงลับนี้รับอย่างอื่นไม่ได้รับได้อย่างเดียวก็คือบุญส่วนผู้ที่มีชีวิตอยู่ก็รับบุญที่เราทําให้ไม่ได้สําหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่ถ้าเราอยากจะให้เขามีความสุขเราก็ต้องทําทานบ่อยจากแบ่งปันข้าวของเงินทองให้กับเขาไป ถ้าอยากจะให้คนที่มีชีวิตอยู่มีความสุขเราก็ส่งความสุขแบบบีใหม่โราส่งอะไรเราก็ส่งของขวัญส่งขนมเคก้กส่งอะไรไปพอคนมีชีวิตอยู่ได้รับของขวัญเขาก็มีความสุขขึ้นมาแต่สำหรับคนตายนี่เขารับของพวกนี้ไม่ได้เขารับขนมเคก้กเขารับข้าวของอะไรต่างๆไม่ได้ ก็เลยต้องเอาเงินทองหรือข้าของนี้ไปทำบุญทำทานไปแลกเป็นบุญมาซื้อของไปถวายพระใส่บาตรอะไรอย่างนี้ถ้ารู้ว่าคนตายชอบอะไรก็ซื้อของนั้นไปซื้อไปให้พระแล้วจะได้เปลี่ยนมาเป็นบุญเราก็ส่งบุญไปว่านี้นี่คือบุญขนมเคก้กนี่คือบุญเสื้อผ้า นี่คือบุญกระเป๋าบุญรองเทา้าส่งไปให้กับผู้ที่ล่วงนับไปแล้วเออันนี้ก็เป็นการสร้างบุญเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งคือทําบุญจากการทําทานแล้วแล้วเ อ, เอาบุญที่เราได้ไปทําบุญอีกครั้งหนึ่งให้กับผู้ที่ตายไปก็เกิดบุญขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเอยได้บุญสองชั้นด้วยกันจากการทําทาน แต่ถ้าเราไม่อุทิศบุญเราก็จะได้ชั้นเดียวยงั้นถ้าอยากจะได้บุญสองชั้นก็ต้องอุทิศบุญด้วยการระลึกภายในใจควรจะทำทันทีเลยเพราะว่าตอนที่เราทำเสร็จใหม่ๆบุญมันเต็มเปี่ยมในหัวใจถ้าเราลืมเราไปทำนูน่นทำนี่เดี๋ยวมีเรื่องอื่นเข้ามากลบได้เดี๋ยวไปทะเลาะ ก, กับคนนั้นไปทะเลาะ ก, กับคนนี้ความสุขใจที่ได้จากการทาบุญมันจะถูก เรื่องราวที่เราไปทะเลาะกับคนอื่นมากรบเอาไว้มันไม่หายไปเพียงแต่มันจะกรบเอาไว้มันจะทำให้เราอุทิศบุญส่วนที่เราทำนี่ยากเพราะมันถูกกรบเอาไว้ถูกกันเอาไว้งนั้นควรจะทำทันทีเลยหลังจากที่เราได้ทำบุญเสร็จไม่ต้องรอให้พระมาสวดญาถทาสัพพีให้พรแต่อย่างใด การสวดยะถาสัพพีของพระนี้เป็นการให้คำสอนมากกว่าให้คำแนะนำว่าบุญที่เราทำนี้เราสามารถอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วได้แล้วอันนิสง์จากการทำบุญของเรานี้จะทำให้เราสุขเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละนั่นเองนี่คือ การสวดของพระเนี่ยไม่ได้มาช่วยส่งบุญให้กับเราไปไม่ได้มาเพิ่มบุญหรือทำให้บุญของเราขลังขึ้นมาบุญของเราขลังอยู่แล้วพระเพียงแต่มาร่วมอนุโมทนาอนุโมทนายินดีแสดงความยินดีกับการทำบุญของเราสนับสนุนให้กำลังใจให้เราทำต่อไป ไม่ให้เราท้อแท้ให้ไม่ให้เราเกิดความลังเลสงสัยว่าทำบุญแล้วได้บุญหรือเปล่าบุญนี่เป็นของแท้เป็นของจริงเป็นความสุขที่เราใช้ได้ทั้งในปัจจุบันทั้งในอนาคตที่จะตามมาหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วร่างกายเวลาร่างกายตายไปเราไม่สามารถใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราได้เราต้องอาศัยบุญช่วงที่เราตายเพราะเราเอาร่างกายไปไม่ได้เราเอาสมบัติที่เราหาผ่านทางร่างกายไปไม่ได้แต่เราเอาบุญไปได้เอาบุญที่เราทำได้เอาไปบุญทั้งหมดที่เราทำนี้มันจะสะสมไว้ในใจของเราแล้วมันจะเป็นผู้ที่จะไป รับใช้เราต่อไปให้ความสุขกับเราแล้วพอเรากลับมาเกิดในภพใหม่ในชาติหน้าเราก็ยังมีบุญรอเรารอร อ, อเราอยู่คือบุญที่เราทำนี่เหมือนกับเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารเวลาที่เราต้องการเบริกเราก็ไปเบิกที่ธนาคารได้บุญที่เราทำนี้เวลาเรากลับมาเกิดเราก็ไปเบิกได้ เวล า, าถ้าเรามีบุญเราก็จะมาเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยมีเงินมีทองถ้าไม่มีไม่ได้ทำบุญเอไว้ก็เหมือนกับไม่มีเงินฝากธนาคารจะไปเบิกที่ธนาคารเขาก็บอกไม่มีเวลาไม่ได้ทำบุญกลับมาเกิดก็จะกลับมาเกิดยากจน เพราะว่าไม่ได้ฝากเงินไว้ในธนาคารของบุญคือคือพบหน้าชาติหน้านี่นี่คือประโยชน์ของการทำบุญให้ทานดยการแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหรือการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้เป็นการสร้างความสุขให้กับใจ แล้วก็สามารถอุทิศบุญนี้ให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วได้ด้วยช่วยคนที่ตายให้เขามีบุญทำให้ดวงวิญจาณ์เขาเป็นสุขขึ้นมาได้นี่คือบุญชนิดที่สบุญชนิดที่หก็คือการร่วมอนุโมทนาบุญเวลาช่วงนี้มีการทอดกระินกัน เราก็อยากจะร่วมมนุโมทนาบุญสนับสนุนผู้ที่ทำบุญให้เขามีกำลังใจเพราะบุญนี้มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษจะร่วมด้วยการแสดงด้วยวาจาก็ได้หรือจะร่วมด้วยการเพิ่มฝากเงินฝากทองไปร่วมทำบุญด้วยก็ได้ถ้าอยากจะทำบุญแล้วไม่มีเวลาที่จะไปเองก็ ฝากเงินทองนี้ไปร่วมกับผู้ที่เขาจะไปทำบุญก็ได้อันนี้เป็นการอนุโมทนาบุญถ้าร่วมด้วยก็ได้บุญบุญที่เกิดจากการทำทานด้วยการอนุโมทนาบุญจะทำให้เรามีความสุข เวลาเห็นคนอื่นเขาทำบุญเราดีใจไปกับเขาอนุโมทนาบุญสุขใจไปกับเขาถ้าเราไม่อนุโมทนาบุญเราก็จะไม่มีความไม่ได้สุขใจเราสึกเฉยเฉยหรือบางครั้งอาจจะคิดต่อต้านก็ได้สำหรับบางคนที่ไม่เชื่อเรื่องบุญพอเห็นคนทำบุญก็อาจจะไปบอกทำไปทำไมทำแล้วได้อะไรไปสร้างความลังเลสงสัยให้กับคนที่เขาทำ อันนี้ตัวเองก็ไม่ได้ความสุขแล้วยังไปทาให้คนอื่นเขาลังเลสงสัยขึ้นมาไม่ควรที่จะทำอย่างนั้นถ้าเราไม่เชื่อเรื่องบุญแต่ถ้าคนอื่นเขาเชื่อก็อย่าไปลบหลู่ปล่อยให้เขาทำไปแต่ถ้าเราเชื่อเราก็อยากจะสนับสนุนให้เขาทำมากมาก ให้เขามีกำลังใจในการกระทำล้วก็อนุโมทนาไปยินดีแสดงความยินดีไปกับเขาการแสดงความยินดีนี้ก็ทําให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาได้เหมือนกันเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญวิธีหาบุญข้อต่อไปก็คือบุญที่เกิดจากการ เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะเป็นผู้ที่ไม่ถือตัวไม่อวดเก่งอวดดีอวดเบ่งคนที่อวดเก่งอวดดีอวดเบ่งนี้มักจะหาคนคบได้ยากเพราะคนก็ไม่ค่อยชอบคนอวดเก่งอวดดีกันชอบคนอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตน คนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตอนนี้ไปอยู่กับใครก็จะไม่มีใครรังเกียจจะมีคนยินดีคบค้าสมาคมด้วยการได้คบค้าสมาคมกับคนมากๆก็จะทําให้เรามีความสุขการที่ไม่ได้คบค้าสมาคมกับคนเพราะคนรังเกียจก็จะไม่มีความสุขวิธีหนึ่งที่จะทําให้เรามีเพื่อน เข้าสังคมได้ก็คือให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นเองแต่อวดเก่งอวดดีอดรู้อวดฉลาดนี่ก็มักจะต้องไปอยู่คนเดียวอยู่โดดเดี่ยวแต่ถ้าเราอยากจะมีเพื่อนมีสังคมมีความสุขจากการมีเพื่อนมีสังคมเราก็ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่คือบุญชนิด ความสุขที่ทำให้ที่ไม่มีพิษไม่มีภัยเวลาอยากจะมีความสุขเวลาจะเข้าสังคมพยายามทําตัวเองให้เป็นผู้ต่ําต้อยทําตนให้เป็นเหมือนปาตพีเป็นเหมือนดินแล้วจะเข้ากับใครได้หมดคนจะดา่าใครจะว่าเราเราก็จะไม่โกรธไม่เกลียดเขาเพราะเราถือว่าเราเป็นผู้ต่ําต้อยเราเป็นเหมือนดินเป็นเหมือนภ่าคีรุ่ย ใครจะเหยียบใครจะย่ำใครจะดูถูกดูแกล้งอย่างไงเราก็คบได้ไม่เดือดร้อนอะไรอย่างนี้ทำให้เราสามารถครบกับคนทุกแบบทุกชนิดได้ทำให้เรามีเพื่ อ, น, อนนี่คือความสุขอีกแบบหนึ่งในบรรดาความสุขต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนความสุขอันต่อไปนี้ก็เป็นความสุขที่เกิดจากการ รักษาศีลไม่ทำบาปนั่นเองการรักษาศีลไม่ทำบาปนี้จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์ใจทุกข์เพราะเราทำบาปเวลาทำบาปนี้จะหาความสุขในใจไม่เจอจะมีแต่ความทุกข์ความวิตกกังวลความเดือดร้อนเวลาเห็นใครก็กลัวว่าเขาจะรู้ว่าเราทำบาป ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คิดว่าเขาจะมาจับเราไปติดคุกติดตารางเวลาเราทำผิดแล้วใจเราจะเป็นเหมือนมีแผล ม, มีแผลเวลาอะไรไปแตะแผลหน่อยก็จะเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาทันทีเวลาคิดถึงบาปที่เราทําไว้ทําแล้วก็จะมีความรู้สึกร้อนใจไม่สบายใจขึ้นมามแต่ถ้าเรารักษาศีลได้ไม่ทาบาปได้ ใจของเราก็จะเย็นจะสบายจะไม่เดือดร้อนเวลาเจอใครก็ไม่มีความหวั่นไหวไม่ก่ยความวิตกกังวลว่าเขาจะรู้ว่าเราไปทำผิดไปทำบาปมาหรือไม่นี่คือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลมีประโยชน์ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่ และมีประโยชน์หลังจากที่ตายไปแล้วเช่นเดียวกับบุญที่ทำบุญที่เกิดจากการรักษาสีนี้ถ้าอยู่เป็นมนุษย์ก็จะปลอดภัยจากการไปติดคุกติดตารางปลอดภัยจากการมีเรื่องมีราวมีปัญหากับคนต่างๆอยู่อย่างสงบเวลาตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายใจนี้ มีที่เกิดสองสีกด้วยกันเรียกว่าสุขคติกับทุกขติผู้ที่จะไปเกิดในสุขคติได้นี้ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำบาปหรือถ้าทำบาปก็ทำบาปน้อยก็ทำบุญเวลาตายไปนี้บุญกับบาปนี้จะมาแย่งดวงวิญญาณไปทางใดทางหนึ่งถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญ ทำบาปไว้มากกว่าบุญบาปจะดึงให้ไปเกิดในอบายในทุกขติที่มีอยู่สที่ด้วยกันคือเดรัจฉานเปรตอสุลกายและนรกเนี่ยถ้าไม่อยากจะไปเกิดในอบายก็ต้องพยายามทําบุญให้มากกว่าทําบาปหรือทําบาปหรือทําบาปให้น้อยหรือไม่ทําบาปเลยถ้าไม่ทําบาปเลย ถึงแม้ไม่ได้ทำบุญก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปเกิดในอบายเพราะว่าไม่มีอะไรดึงให้ไปเกิดในอบายสิ่งที่จะดึงดวงวิญญาณของพวกเราให้ไปเกิดในอบายก็คือบาปที่เราได้ทำกันไว้ที่ได้สะสมไว้ในใจแต่ถ้าเราทำบาปด้วยทำบุญด้วยบุญกับบาปก็จะมาเป็นผู้ที่จะมาแย่งดวงวิญญาณของเรา ให้ไปในทางใดทางหนึ่งถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงให้ไปเกิดในอบายถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงให้ไปเกิดในสวรรค์ถ้าบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือเรื่องของบุญของบาปที่มีความเกี่ยวข้องกับ จิตใจหรือดวงวิญญาณของพวกเราถ้าเรารู้ว่าบาปพาให้เราไปเกิดในที่ไม่ดีถ้าเราไม่อยากจะไปเกิดในที่ไม่ดีเราก็ต้องพยายามรักษาศีลห้ากันให้ดีละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปลด เดื่มสุรายาเมาและเสพอบายามุกต่างๆเพราะอบายามุกนี้เป็นผู้ที่จะดึงใจให้ไปทําบาปได้ง่ายนั่นเองอบายามุกนี้นอกจากดื่มสุราแล้วก็มีการเล่นการพนันมีการเที่ยวเตะมีความเกลียดคร้านและการคบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตรเ ถ้าคบกับคนที่ชอบเดิมโซราเขาก็จะชวนเราไปเดิมโซราครบกับคนที่ชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันคบกับคนที่ชอบเที่ยวก็จะชวนเราเที่ยวคบกับคนที่เกียจค้านเขาก็จะชวนให้เราเกียจค้านถ้าเราไปทําตามเขาเราก็จะมีแต่เสียเพราะอบายามุกนี้ไม่มีรายรับมีแต่รายจ่าย มีแต่ถ้าเราจ่ายอย่างเดียวไม่มีรายรับต่อไปเงินทองก็จะไม่พอใช้พอไม่พอใช้ก็จะใช้หาวิธีหาเงินทองด้วยการทำบาปนั่นเองไปลักทรัพย์ไปช่อโกงไปโกหกหลอกลวงไปหลอกให้คนมาร่วมลงทุนซื้อชงซื้อแชร์อะไรแล้วก็อันตรฐานหายวับไป อันนี้เป็นพวกที่ชอบอเสพตัวเสพอบายยมุขไม่ชอบทํางานเกียรติ้านชอบเที่ยวชอบใช้เงินแต่หาเงินไม่เป็นก็เลยต้องใช้วิธีช่าฉลนหลอกลวงผู้อื่นอั น, นี้คือสิ่งที่เราถ้าไม่ต้องการจะไปรับผลของการทําบาปก็อย่าไปเสพอบายยมุขอย่าดื่มสุราย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยว อย่าเกียดข้านอย่าคบคนที่ชอบอบายยมุกเป็นมิตรเราก็จะไม่ต้องสูญเสียเงินทองไปจากจากการเสพอบายยมุกเมื่อเรายังพอมีเงินทองพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำบาปเนเมื่อเราไม่ทำบาปเวลาเราตายไปเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบาย ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตเปรตก็คือดวงวิญญาณที่หิวโหยไปเกิดเป็นนื้อสุรกายก็เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวถ้าไปนรกก็เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทนี่คือที่ไปของผู้ที่ทําบาป แต่ถ้ารักษาศีลได้ก็จะสามารถปิดประตูบายได้เนี่ยนี่คือความสุขที่จะได้รับจากการรักษาศีลเพราะจะไม่มีความทุกข์นั่นเองการไม่มีความทุกข์ก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งแล้วถ้าเราอยากที่จะ หาความสุขที่สูงกว่าความสุขที่เราได้จากการทำบุญต่างๆจากการรักษาศีลห้าก็ยังมีความสุขที่ระดับสูงกว่าคือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดอันนี้เป็นความสุขขั้นสูงเป็นความสุขระดับพรหมระดับพระอริยบุคคล ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบเนี่ยแล้วนำเมามาสั่งสอนให้กับพวกเราที่ยังไม่รู้ความสุขแบบนี้ความสุขชนิดที่ที่พระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดสรลูนี้<ม>ก็มีคนรู้กันระดับความสุขระดับสมาธิ คือสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางไม่ได้ตัดสรูรนีพระพุทธเจ้าก็ไปศึกษาค้นคว้าหาวิธีหาความสุขต่างๆก็ได้ค้นพบวิสีต่างๆที่ได้แสดงไว้วิธีทำทานวิธีรักษาศีลและวิธีนั่งสมาธิทำใจให้สงบแต่ความสุขเหล่านี้เป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปได้เช่น ทำบุญตายไปไปเกิดเป็นเทวดาบุญที่ส่งไปไม่ช้าก็เร็วก็จะหมดพอหมดก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทำบุญใหม่มาละบาปใหม่ถ้าได้ฝึกสมาธิได้ถือศีลแปดก็จะเข้าฌานขั้นต่างๆได้ก็จะได้ไป ได้ไปเกิดสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพคือสวรรค์ชั้นพรหมมีอยู่สองชั้นชั้นรูปประผมกับอรูปประพรมผู้ที่ได้รูปประชานก็จะได้ไปเกิดเป็นสวรรค์ชั้นรูปประผมผู้ที่ได้อรูปประชานก็จะได้สวรรค์ชั้นอรูปประพรมแต่สวรรค์ทั้งสองชั้นนี้ก็ต้องเสื่อมลงมาเพราะบุญที่ส่งให้ไปนี่ หมดกํำลังได้พอหมดกํำลังก็จะเลื่อนจากรูปอรูปประภมลงมาสู่ขั้นรูปประภมจากขั้นรูปประภมก็ลงมาสู่ขั้นเทพจากขั้นเทพก็จะลงมาสู่ขั้นมนุษย์มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาสร้างบุญสร้างบาปกันใหม่แล้วก็พอตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปกันใหม่ พระพุทธเจ้ามีความปรารถนาที่ไม่อยากจะกลับมาเกิดเพราะว่าทรงเห็นว่าทุกครั้งที่มาเกิดต้องมาแก่มาเจ็บมาตายถึงแม้ว่าจะมามาเกิดเป็นใหญ่เป็นโตมาร่ำมารวย <c oughs> ก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันแล้วตายไปถึงแม้ว่าจะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมก็ยังต้องเสื่อมกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในไตพบในสังสารวัฏอยู่เรื่อยๆนั่นเองเพระองค์ทรงมีความปรารถนาที่อยากจะไม่กลับมาเกิดเพราะทรงเห็นว่าการมาเกิดนี้เป็นทุกข์กลับมาเกิดนี้ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับการพัดพากจากกันยังไม่อยากที่จะกลับมาเกิด ก็เลยทรงคิดค้นหาวิธีว่ามีวิธีที่จะทำให้กลับมาไม่เกิดได้ไหมในที่สุดก็ทรงค้นพบว่าวิธีที่จะทำให้ใจไม่มาเกิดก็ต้องหยุดตัวที่ดึงใจให้มาเกิดนั่นเองตัวที่ดึงใจของพวกเราให้กลับมาเกิดในภพต่างๆก็คือความอยากของพวกเรานี่เองความอยากเสพกรารก็จะทำให้เรากลับมาเกิด ในการมาพบเนี่ยเกิดเป็นมนุษ ย, นย์ตายไปก็ไปเป็นเทวดาความอยากเสพรูปประชานก็จะพาให้เราไปเกิดรูปประพบเนี่ยความอยากเสพอรูปประชานก็พาให้เราไปเกิดอรูปประพบเนี่ยถ้าไม่ต้องการที่จะกลับมาเกิดในไต้พบก็ต้องทําลายความอยากทั้งสามชนิดนี้ทําลายความอยากที่เกิด ความอยากการเสบรูปเสียงกลิน่นนสดที่เรียกว่ากามตันหาความอยากเสบกามเนความอยากเสบรูปประชานเรียกว่าภาวะตันหาความอยากเสบอรูปประชานเรียกว่าวิภวะตันหาการที่จะเลิกเสบกามหล่งนี้ได้จำเป็นที่จะต้องบำเพ็ญทาขั้น ต่อจากสมาธิคือก่อนที่เราจะขึ้นสู่ทำขั้นสูงสุดได้นี้เราต้องผ่านขั้นศีลผ่านขั้นสมาธิก่อนเราต้องถือศีลแปดขึ้นไปในการที่จะทำใจของเราให้สงบได้ต้องไปอยู่วัดไปหาที่สงบวิเวกเพราะการทำใจให้สงบนี้ต้องหาที่สถานที่สงบ กายวิเวกจิตถึงจะวิเวกถ้าไปหาความสงบตามบาตามผับตามศูนย์การค่านี่นั่งยังไงก็ไม่มีวันสงบเพราะมีเสียงกระทึกครโคน ม, มีเหตุการณ์อะไรต่างๆวุ่นวายต้องไปหาที่สงบไปอยู่ตามวาดาัดป่าวัดเขาสมัยนี้วัดบ้านก็ไม่สงบเพราะมีกิจกรรมมากมายกิจกรรม งานศพงานบุญงานบวชงานอะไรต่างๆกลายเป็นสถานที่อึกระทึกคึกโครมพอสมควรถ้าอยากจะทำใจให้สงบจึงต้องไปอยู่ที่วัดมีการปฏิบัติธรรมวัดที่มีการปฏิบัติธรรมมักจะเป็นวัดที่อยู่ห่างไกลจากบ้านเมืองไปอยู่ที่ตามป่าตามเขา ที่ไม่มีเสียงไม่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆมาคอยลบกวนใจแล้วก็ต้องไปถือศีลแปดขึ้นไปเพราะถ้าถือศีลห้านี้ยังทำให้เราไปเสพกามได้แต่ยังไปทำกิจกรรมทางร่างกายได้ไปร่วมหลับนอนกันได้ไปกินอาหารเย็นอาหารคําได้ดูหนังฟังเพลงร้องลำํำทำเพลงแต่งเนื้อแต่งตัวได้อยู่ เราต้องเอาเวลาที่ไปใช้กับกิจกรรมเหล่านี้มาใช้กับการทำใจให้สงบเราเลยต้องถือศิ่งแปดห้ามทำกิจกรรมทางร่างกายสิลข้อสก็เปลี่ยนจากการไม่ประพฤติผิดพรเวณีมาเป็นไม่ร่วมหลับนอนกับใครแล้วก็เพิ่มสิ่งข้อหไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็ข้อ7ก็ไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ ไปล้องลำทำเพลงดูหนังดูละครไม่แต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยงามให้เสียเวลาแล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไปด้วยการไม่ให้นอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆมันจะสบายเกินไปสบายแล้วมันก็จะนอนมากถ้านอนบนพื้นแข็งๆมันไม่สบายมันก็จะนอนไม่มากพอร่างกายได้พักผ่อนพอก็จะเต่นขึ้นมา พอตื่นขึ้นมาก็จะไม่นอนต่อก็จะได้มีเวลามาฝึกสมาธิกันนั่นเองนี่คือหน้าที่ของศีลดึงเอาเวลาที่เราไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายให้มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยการฝึกสติพุทโธพุทโธควบคุมความคิดต่างๆ แล้วก็นั่งสมาธินั่งเฉยๆทาใจให้สงบใจสงบใจก็จะเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้ขั้นรูปฌานได้อารูปฌปานได้สัมผัสกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เราได้จากผ่านทางร่างกายนี้สู้ความสุขที่ เราไดผาา้ผ่านทางความสงบของใจไม่ได้เหนือกว่ากันถ้าเราได้ความสุขจากความสงบแล้วเราก็จะเลิกเสพกามได้ละกามตัญหาได้ไม่ไปเสพกามได้เพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าพอเราได้ความสุขที่ดีกว่าแล้วเราก็สามารถที่จะขึ้นสู่ขั้นที่สองของการปฏิบัติธรรมก็คือขั้น วิปัสนาภาวนาหรือการเจริญปัญญาที่จะทําให้เรานี้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอีกต่อไปเพราะปัญญาจะสอนให้เราเลิกเสพคามละกามตัญหาได้ละภาวะตัญหาละวิภาวะตัญหาคือการเสพความสุขจากรูปปัจจานและอรูปปัจานได้ เพราะถึงแม้ความสุขสิ่งเหล่านี้จะให้ความสุขกับเรามันก็มีพิษตามมาเพราะมันต้องเสื่อมมันต้องหมดเวลาหมดมันก็เหมือนกับคนรวยแล้วกลายเป็นคนจนเวลารวยมันมีความสุขแต่พอเงินหมดก็กลายเป็นคนจนคนจนก็เป็นคนทุกข์เท่านั้นถ้าไม่อยากจะไปทุกข์ก็อย่าไปเป็นคนรวยถ้าไม่เป็นคนรวยก็จะไม่เป็นคนจน พระพุทธเจ้าทรงได้ให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าพบทั้งสามความสุขที่เราได้จากการมาพ บ, ร, พบารูปพบอรูปพบนี้ไม่เที่ยง เ, ออเมื่อไม่เที่ยงมันก็จะทำให้เราทุกข์เวลามันเสื่อมเวลามันหมดไปออมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นสมบัติชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องสูญไปเสียไปออถ้าเห็นว่า ตายภพนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าความอยากที่ไปเสพกามไปเสพรูปประชานอารูปประชานนี้เป็นตัวที่ดึงให้เราต้องไปเกิดในตายภพเราก็หยุดเสพมันเสียแทนที่จะเสพเราก็ละมันฝืนมันด้วยการอาศัยความสงบ ที่เราสร้างขึ้นมาด้วยสมาธินี้สู้กับความอยากไปทุกครั้งที่อยากก็ทำใจให้นิ่งเฉยพอนิ่งเฉยไม่ไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากความอยากนั้นก็จะหายไปแล้วทุกครั้งที่เราทำอย่างนี้กับความอยากต่อไปความอยากทั้งหลายมันก็จะหมดกำลังเมื่อหมดกำลังแล้วมันก็จะไม่มาดึงใจให้ไปเกิดอีกต่อไป ใจที่ไม่ไปเกิดนี้เราก็เรียกว่านิพพานใจอยู่ที่นิพพานอยู่ที่ไม่มีการเกิดไม่มีการเกิดในไตรภพการที่จะทําให้ใจเป็นนิพพานก็ต้องละความอยากทั้งสามความอยากเสพกามความอยากไปเกิดในกามะภพความอยากไปเกิดในรูปภพความอยากไปเกิดในอรูปภพ พอเราละความอยากทั้งสามนี้ได้ก็จะไม่มีอะไรมาดึงใจให้ไปเกิดในใตายพบอีกต่อไปเมื่อไม่ไปเกิดในใตายพบก็ไม่มีการแก่การเจ็บการตายไม่มีการพัดภาคจากกันไม่มีการร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจทุกต่างๆที่พวกเรากําลังเผชิญกันอยู่ในขนันอานี้จะไม่มีอีกต่อไปถ้าพวกเราไม่มาเกิดกันอีกเนี่ย การไม่มาเกิดนี้ก็ไม่ได้ทำให้เราสูญหายไปไหนเราก็ยังเป็นดวงวิญญาณดวงจิตดวงใจเหมือนเดิมต่างกันตรงที่เราไม่ต้องอาศัยการมาเกิดเพื่อ เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเราอาศัยพระนิพพานนี้เป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราเพราะพระนิพพานนี้ก็มีความสุขแบบปรมังสุขขังนั่นเองผู้ใดได้ถึงพระนิพพานก็จะได้รับกับได้รับได้รับความสุขอันยิ่งใหญ่เพราะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีเสื่อม ต่างกับความสุขที่ได้จากการไปเกิดในการมาพบในรูปพบและอรูปพบที่ได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมไปหมดไปหมดก็ต้องไปสร้างใหม่สร้างใหม่ก็หมดอีก เ, เราทำอย่างนี้มากันเป็นเวลาอันยาวนานเรามาสร้างความสุขในการมาพบกัน พอตายไปเราก็ไปรับผลบุญผลบาปกันพอรับเสร็จเราก็กลับมาเกิดใหม่มาสร้างความสุขใหม่แล้วก็ทำบุญทำบาปกันหมายไปอย่างนี้ไปยังไม่มีวันสิ้นสุดเนการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเรานี้ไม่มีวันสิ้นสุดจะสิ้นสุดได้ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้นผู้ที่จะรู้วิธียุติการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเรา ด้วยการสั่งสอนพวกเราให้มาทำบุญชนิดต่างๆโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการรักษาศีลแปดบุญที่เกิดจากการภาวนาถ้าต้องการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดต้องไปทาบุญที่เกิดจากการรักษาศีลแปดขึ้นไปเพื่อที่จะได้มีเวลาไปภาวนาไปเจริญสมถะภาวนาคือสมาธิ แล้วพอได้สมาธิก็จะมีกําลังที่จะไปเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้เกิดดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าทุกหรือการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากกามตัญหาภวะตันหาและวิภวะตันหาการที่จะละตัญหาทั้งสามนี้ได้ก็ต้องเห็นว่าพบที่เราอยากจะไเกิดนี่มันเป็น ไม่พ้นพบที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีตายได้มากได้น้อยเดี๋ยวในที่สุดก็ต้องเสื่อมไปหมดไปพอเห็นว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะสามารถหยุดความอยากทั้งสามได้หยุดความอยากทั้งสามได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป ก็เรียกว่าไปอยู่ที่นิพพานใจนี่แหละเป็นนิพพานใจที่ได้ชาระความอยากทั้งสามให้หมดสิ้นไปจากใจก็จะเป็นใจที่ไม่มีการกลับมาเกิดอีกต่อไปใจก็จะเสพความสุขไปตลอดเวลาไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไปนี่คือวิธีหาความสุขต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้สรงค้นพบ แล้วเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราพวกเราก็ทำไปตามกำลังของพวกเราไปก่อนส่วนไหนที่เราทำได้ก็ทำไปก่อนแล้วค่อยพัฒนาจากจากง่ายไปสู่ยากเพราะการหาความสุขทั้งสิบวิธีนี้ก็มีทั้งเนียมีทั้งยากมีทั้งง่ายผู้เริ่มต้นก็ทำสิ่งที่ง่ายก่อนแล้ว พอทําแล้วก็จะมีกําลังเพิ่มที่จะไปทำสิ่งสิ่งที่ยากต่อไปได้เหมือนกับเรียนหนังสือก็ต้องเข้าชั้นอนุบาลก่อนแล้วก็ไปชั้นปถมชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาตามลําดับต่อไปขั้นตอนเราก็ทําบุญที่ง่ายก่อนทําทานรับใช้สังคมอุทิศบุญอนุโมทนาบุญอะไรต่างๆเหล่านี้ฟังเทศฟังธรรมเนี่ย พอเรามีกำลังเพิ่มมากขึ้นก็ไปรักษาศีลศีลห้าแล้วก็ศีลแปพอรักษาศีลแปดได้ก็จะไปภาวนาได้พอภาวนาได้เดี๋ยวก็ได้สมาธิได้สมถภ า, ภาวนาได้วิปัสสนาภาวนาได้ดวงตาเห็นธรรมได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตามลำดับต่อไปนี่คือเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรม เพื่อมาเรียนรู้ทำคำสั่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าเอามาสอนพวกเราถ้าไม่ฟังเราก็จะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เมื่อไม่รู้เราก็จะ ไปหาความสุขแบบที่เรารู้ไปหาความสุขจากลาบยศจันละเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วพอสูญเสียลาบยศสลเสริญหรือสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสไปก็ต้องล้อมหงล้อมไห้เศร้าโศกเสียใจแต่พอเรามาฟังธรรมแล้วเราก็จะได้เปลี่ยนวิธีหาความสุขได้เพราะเปลี่ยนวิธีแล้วความสุขที่ไม่มีความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมา ความทุกข์ที่เคยมีก็จะน้อยลงไปตามลำดับความสุขก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจนถึงความสุขเต็มร้อยคือความสุขของพระนิพพานนี่คือสิ่งที่เอามาฝากท่านในวันนี้นักคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยถาวะริวาหาบุราปาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกะปติอ an ิจิตังปฏิต um ังตุมหังคิปาเมวะสมิจชาตุ สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิตโยวิวัชานตุ สัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคาโยโกภาวะภิวาตนาสีริสานิจจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลั ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะหลังจากที่ปิดหลังไม้แล้วก็จะของดรับคำถามวันนี้ทางบ้านมีเข้ามาเท่าไหร่ สายโดยเจ้าค่ะวันนี้เฟซบุ o กนะคะมี290ท่านค่ะทาง YouTube มี259ท่านค่ะส่วนวิทยุมี21ท่านผู้รับฟังบนเขา151ท่านรวมเป็น721ท่านเจ้าค่ะใครอยากจะถามอะไรถ้าไม่กล้าถามเองก็เขียนกระดาษใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้เชิญถามได้ เวลาเดินจงกลมแล้วง่วงนอนจะแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะก็นอนสิจะทรมาร์มันก็ต้องมีเวลานอนบ้างอ่ะแต่ถ้ามันง่วงทุกครั้งที่เดินก็เยิ่นต้องไปเดินในป่าช้ารับรองได้ไม่ง่วงหรืออดข้าวเดินดูพออยู่ข้าวแล้วไม่ง่วงเนี่ยปัญหาคือเนี่ยกินมากเกินไปก็ทําให้ง่วงอยู่ที่ปลอดภัยก็ทําให้ง่วงต้องไปอยู่ที่หน้าหวาดเสียวหน้ากลัว ไปเดินจงกลมที่นหน้าผาอย่างเงี้ยถ้า ง, ง่วงก็จะได้ตกแล้วไปเดินในป่าชาเนี่ยรับรองนตื่นทันทีเลยตื่นตั้งแต่เพยงแต่คิดเนี่ยลองเวลามันง่วงก็ลองลองปากกิเลส ด, ดูมึงง่วงเดี๋ยวกูจะพามัไปป่าชานะบางทีแค่นี้มันก็อาจจะหายง่วงก็ได้เพราะมันกลัวคำถามฝากถามมีคาถามค่ะ การส่งสินค้าข้ามเขตผู้อื่นเพราะต้องการยอดสั่งสินค้าเป็นการผิดกฎระเบียบบริษัทแต่ได้ค่าคอมมิชชั่นมากๆการกระทําแบบนี้ผิดศีลไหมเจ้าคะาก็ถือว่าโกงนะโกงก็ผิดศีลชอบโกงเอาทรัพย์ที่ไม่ชอบมาเนี่ยไม่ควรทําอย่าโลภมากตายไปก็ไปไม่ได้นะใช้ไปก็หมดแต่สิ่งที่มันไม่หมดก็คือบาปนะ บาปมันไม่หมดไปกับเงินที่เราใช้ไปบาปมันติดไปกับใจเราต้องไปใช้โทษต่อไปขณะทำก็ไม่สบายใจแล้วถึงต้องมาถามคำถามนี้งั้อย่าทำดีกว่าได้ไม่คุ้มเสียคำถามจากคุณสิริสิริหนูพยายามท่องพุทโธดึงความคิดเข้ามาแต่สักพัก ก็ลอยๆเหมือนใจท่องพุโทโธอยู่แต่จริงๆลอยไปกับความคิดพยายามท่องพุโทโธหายใจแรงๆหรือดูกายไปด้วยทําถูกไหมเจ้าคะถูกแต่ไม่ก็ได้ผล เ, รเพราะว่ากําลังของเราที่จะใช้พุโทโธนี่มันมีน้อยมันก็ลอยไปกับความคิดนะวิธีที่จะให้มันอยู่กับพุโทโธนี่ต้องไปเดินไปพุโทโธในป่าช้าเนี่ย พระที่ไปอยู่ที่ป่าช้าเวลากลัวผีนี่ไม่กล้าคิดถึงผีเลยคิดแต่พุโทโธพุโทโธอย่างเดียวเพราะคิดถึงผีแล้วมันใจสัน่นพอคิดถึงพุโทโธแล้วใจนิ่งเนี่ยมันต้องมีที่บังคับให้เราพุโทโธจริงๆถ้าเราไปอยู่ที่มันปลอดภัยมันก็พุโทโธเล่นๆไปพุโทโธก็ได้ไม่พุโทโธก็ได้เพราะมันไม่เห็นความต่างกัน แต่ถ้าเราไปอยู่ที่หน้าเสียวหน้ากลัวนี่โอยพอใจมันสั่นขึ้นมาต้องพุโทโธจริงจริงพอพุทโธจริงจริ ง, รงมันไม่คิดอะไรเดี๋ยวก็หายสัน่นยังอยากจะได้ผลจากการปฏิบัติจึงมักต้องมีที่ที่ม า, าสร้างาเหตุให้เราต้องเอาจริงเอาจังถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ที่ปลอดภัยเราจะไม่เอาจริงเอาจัง แต่ถ้ามันเสี่ยงเป็นเสียงตายนี่มันต้องเอาจริงเอาจังอย่างนี้นะชนนั่งเครื่องบินไปเขาประกาศว่าเครื่องบินตอนนี้ขัดข้องเนี่ยโ่ตอนนี้เราสวนวนกันจริงๆจังจัง นะต้องมีเหตุการณ์มันถึงจะทำจริงจำจังอย่ถ้าอยากจะให้การปฏิบัติของเราเป็นจริงเป็นจังเราต้องไปหาที่กระตุน้นต้องไปหาที่มันทำให้เราต้องเอาจริงเอาจังแล้วพอเราทำแล้ว เ, เห็นคุณค่ามันจะทาให้เราต่อไปไปทำที่ไหนก็ได้แต่เบื้องต้นนี้ต้องมีที่เหมือนกับเป็นที่สตาร์ทรถอย่างนี้สมัยก่อนรถนี้ถ้าสตาร์ทไม่ติดเขาถ้าใช้เข็นเงิน เข็นมันเดี๋ยวพอมันวิ่งสักพักก็กระตุกมันปั๊บมันก็เครื่องก็ติดเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเราต้องไปหาที่ที่จะเข็นให้ใจเราเอาจริงเอาจังกับการเจริญสติพอได้เจริญสติแบบจริงจังแล้วมันจะเห็นคุณค่าว่ามีคุณค่าประโยชน์กับใจอย่างยิ่งแล้วต่อไปมันก็สามารถเจริญสติที่ไหนก็ได้ คำถามจากคุณดิศยาค่ะอยากรักษาศิ้นแปดในชีวิตประจำวันโดยเริ่มจากการไม่กินอาหารหลังเที่ยงจนเริ่มชินตอนนี้อยากฝึกกินวันละมือ้อใจเริ่มต่อต้านพูดโทรไปก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นควรฝึกยังไงให้มีกําลังใจในการรักษาศิ้นคะในเรื่องของอาหารเราก็ใช้การระลึกถึงความเป็นปฏิกูลของอาหารก็ได้ เวลาที่เราอยากจะกินเรามักจะคิดถึงอาหารในจานกันใช่ไหมดังนั้นวิธีที่จะทําให้เราไม่อยากกินก็คิดถึงอาหารที่อยู่ในท้องอยู่ในปากหรืออยู่ในซ่วมเนี่ยพอคิดถึงอาหารเหล่านี้ก็กินไม่ลงนะนี่คือวิธีที่จะทําให้เรากินน้อยลดน้าหนักได้ดีไม่ต้องไปฟิตเนสให้เหนื่อยฟิตนเนสก็หิวอีกกินอีกมันไม่ลดหรอกถ้าไปฟิตเนสเนี่ย เราอยาจะลดต้องใช้ก็เรียกอะไรอาหารเปฏิกูลแสัญญาคิดถึงความเป็นปฏิกูลของอาหารอย่าไปนึกถึงอาหารอยู่ในจานสดๆน้อนๆควันไฟขึ้นีต้องไปคิดถึงตอนที่มันอยู่ในปากเคี้ยวผสมกับน้ำลายหรือเวลาอาเจียนออกมาจากในท้องหรือถ่ายออกมามันนึกถึงภาพอาหารเหล่านั้นแล้วมันจะกินไม่ลง แต่ก็ต้องระวังหน่อยถ้านึกบ่อยๆมากเกิน <c oughs> ไปเดี๋ยวเวลากิน <c oughs> จริงๆกินไม่ลงนะถึงเวลากินจะกินก็กินไม่ลงเพราะมีเหตุการณ์ในวงการปฏิบัติที่หลวงตาเคยเล่าให้ฟังว่ามีแม่ชีคนหนึ่งแกก็เนี่ยจเจริญแต่ปฏิกูลอาหารจนทุกครั้งจะกินอาหารกินไม่ลง <c oughs> ไม่รู้จะแก้อย่างไรเพราะมันหยุดไม่ได้พอมันคิดถึงความเป็นปฏิกูลมันก็จะคิดถึงปฏิกรูอยู่เรื่อยๆ หลวงตาเลยก็สอนบอกต้องเปลี่ยนมาพิจารณาว่ามันเป็นธาตุนีอาหารเป็นธาตุร่างกายก็เป็นธาตุเป็นการเติมธาตุเนี่ยพอมาพิจารณาเป็นธาตุก็เลยกินได้ต้องระวังกรรมฐานนี่บางทีถ้าใช้เกินเลยเถิดมันก็ทําให้สแสลงได้เป็นเหมือนยากินยาเกินขนาดก็จะทําให้สแสลงได้เป็นพิษกับร่างกายได้ยังต้องรู้จักประมาณ รู้ว่าเรามีไว้เพื่อทำอะไรเรามีไว้เพื่อละความโลภถ้าเราความโลภไม่มีอย่าไปใช้มันใช้ตอนที่มีความโลภเหมือนกับกินยาเรากินตอนที่มันป่วยใช่หไหมมีไข้เวลาไม่มีไข้ไม่ป่วยอย่าไปกินมันเดี๋ยวยาจะกลายเป็นพิษขึ้นมาได้คำถามจากคุณนิยาค่ะ สิ่งไหนที่เราทําไปแล้วไม่สบายใจจิตเร่าร้อนกระวนกระวายเราก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับมันถูกต้องไหมเจ้าคะก็ควรที่จะเอามาเป็นบทเรียนสอนใจมานี่แหละเวลาทําอะไรไม่ถูกแล้วมันก็จะเป็นปัญหาขึ้นกับใจเราเอามาเป็นบทเรียนสอนใจเวลาครั้งต่อไปเวลาจะทําซ้ำอีกก็จะได้นึกถึงผลที่จะเกิดขึ้นเรียกว่ามีโอตตะปะโอตตปะคือความกลัว กว่าผลของการทำบาปเพรารู้ว่ามันไม่ดีมันทำให้ใจเราไม่สบา ย, ยถ้าเราทำบาปแล้วเราไม่สบายใจเราก็จำไว้ว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้เวลาทำแล้วจะทำให้เราไม่สบายใจครั้งต่อไปเวลาเราจะทำบาป ถ้าเราไม่คิดไว้เราอาจจะลืมแต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆพอข้างหน้าจะทำบาปคิดถึงความรู้สึกที่ไม่ดีที่จะตามมาเราก็จะแม่ทำดีกว่า คำถามจากคุณโ น, ณนสิทธาคดสิ้นปีนี้ผมว่าจะทิ้งทุกอย่างไปบวชกับพระอาะจารย์ที่วัดยานสิ่งที่ผมคิดเนี่ยเป็นอารมณ์หรือว่าแค่ความเบือ่อจากทั้งโลกผมจะดูจากอะไรครับ <c oughs> ก็ดูจากเวลาสิเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาอย่าไปดูที่ความคิดที่เป็นอนิจจังไม่แน่นอน วันนี้คิดอย่างหนึ่งพรุ่งนี้ก็อาจจะคิดอย่างหนึ่งก็ได้เดี๋ยวไปเจอแฟนไปได้เงินถูกกัตเตอรี่ในวันที่หนึ่งขึ้นมาก็อาจจะเปลี่ยนใจได้ฉะนั้นต้องดูเวลาถ้าเรามีความจริงใจมีความต่อความตั้งใจของเราหรือไม่ถ้าเรามีความจริงใจต่อความตั้งใจต่อให้ช้างมาฉุดก็ไม่ ก็ไม่ไปถึงเวลาก็ต้องทำตามที่เราตั้งใจไว้อย่างพระพุทธเจ้าท่านก่อนจะตัดสรตวท่านก็ต้องตั้งใจตั้งอธิษฐานแล้วก็ต้องตั้งสัจจะสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งภาวนาไปจนกว่าจะตัดสรู้ถ้ายัางไม่ตัดสรตวถ้าเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะให้มันเหือดแห้งไปคือยอมตายถ้า ถ้ายังไม่ตัดสลุจะไม่ลุกจากการภาวนาจะไม่เลิกภาวนาอย่าสู้กับความเจ็บต่างๆไปจนกว่าจะตัดสลุนะอันนี้คนเราจะทำอะไรสำเร็จได้มันต้องมีสองอย่างนี้สัจจะอธิษฐานสัจจะคือความจริงใจอธิษฐานคือความตั้งใจตั้งเป้าเอาไว้ตั้งเป้าว่าจะบวชพอถึงเวลาก็ต้องบวชตามที่เราตั้งเป้าไว้ ถ้าเราไม่บวชก็แสดงว่าเราไม่มีสัจจะโกหกตัวเองเหลอกตัวเองคำถามจากคุณชัดชัยคะ่ะการทำบุญต้องอธิษฐานจิตไหมครับการทำบุญก็อธิษฐานมาก่อนทำแล้ว เพราะก่อนจะทํำเราต้องคิดก่อนใช่ไหมว่าวันนี้จะทําทบุญอันนั้นแหละก็คืออธิษฐานแล้วยันไม่ต้องไปอธิษฐานเพราะมันอธิษฐานแล้วถ้าไม่อธิษฐานจะไม่ได้ทําบุญอธิษฐานมาก่อนกระทํามมันอธิษฐานแล้วมาถึงจะมาทำํำยั้นไม่ต้องอธิษฐานแล้วถ้ามาจะใส่บาตรแล้วก็ใส่ไปเลยแล้วก็อธิษฐานก็ไม่ใช่แปลว่าขอไม่ใช่สาบาตแล้วขอให้ไปนิพพานอย่างนี้ก็ไม่ใช่ทําไม่ได้ขอไม่ได้ ผลจากการกระทําของเรามันก็ได้ตามตามการกระทําของเราทาทานก็ได้ไปสวรรค์นั่งสมาธิก็ได้ไปพรมโลกถ้าจะไปนิพพานก็ต้องอวิปัสสนาภาวนาด้วยทําทานด้วยรักษาศีลด้วยภาวนาทั้งสมถวิปัสสนาภาวนาด้วยถึงจะไปนิพพานได้ไม่ใช่ทาทานอย่างเดียวแล้วขอไปนิพพานเนี่ยไม่ได้ คำถามจากคุณขอบคุณเวลาที่ให้เราได้เดรียนรู้ผมฝึกดูจิตตามคำสอนหลวงปู่ดุลเห็นจิตหนีไปคิดพอรู้ทันจิตก็กลับมารู้เนื้อรู้ตัวไม่นานก็คิดอีกคิดแล้วก็รู้ตลอดถูกต้องไหมครับไม่ถูกหรอกอย่าปล่อยมันไปเลยอย่าอย่าดูเฉยเดูเฉยเฉยเดี๋ยวมันจะไปต้องมัดมันไว้กับพุทโธมันถึงจะไม่ไป พอเราดึงกลับมาปั๊บดูมันปั๊บเดี๋ยวมันก็ไปอีกเพราะไม่มีเชื่อมมัดมันไว้อย่าเราต้องเอาพอมันกลับมาแล้วก็ต้องมัดมันไว้ให้อยู่กับพุทโธพอรู้ว่ากําลังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอากลับมาหาพุทโธแล้วก็อย่าปล่อยพุทโธอย่าหยุดพุทโธถ้าจะหยุดพุทโธก็ต้องดูว่าหยุดแล้วมันคิดหรือไม่ถ้าหยุดแล้วมันไม่คิดก็หยุดได้พอมันจะเริ่มคิดใหม่ก็ต้องพุทโธใหม่ ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะไม่คิดนล้วคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะสติตัวรู้คือวิญ ญ, ญาณในขันใช่หรือไม่ครับไม่ใช่หรอกสตินี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่อยู่ในในขันสีของนามขันสตินี่ก็เป็นธรรมอีกอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในใจไม่ไม่ใช่เป็นขันไม่ใช่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ คำถามจากคุณขวัญถ้าเกิดในชั้นอรูปภ์พอบุญลดลงจากนั้นลงมาเกิดในรูปภ์แล้วลงมาเทพและมามนุษย์อยากทราบว่าพอลงจากเทพมาเป็นมนุษย์จะเป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยไหมเจ้าคะบุญที่ทำจะยังพอให้เหลือเป็นมนุษย์ที่สุขสบายไหมเจ้าคะก็อยู่ว่าทําทานมากน้อยเนี่ยคนทาทาน มากก็ได้สวรรค์ชั้นสูงชั้นเทพมีหกชั้นด้วยกันเหมือนดวงแามมีหกดาวเนี่ยหกดาวก็จ่ายมากหนึ่งดาวก็จ่ายน้อยมีจาตมุมีดาวดึงมียามะมีดุสิตมีปานิมมีนิมานเนี่ยมีหกชั้นด้วยกันขึ้นอยู่กับปริมาณของบุญที่เราทำกันทำมากก็จะได้บุญมากกลับมาก็จะรวยมากทาน้อยก็กลับมารวยน้อย จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเจ้าค่ะคนที่เนรคุณเนี่ยถือว่าผิดศีลหรือไม่เจ้าค่ะอ๋อไม่ผิดศีลเหรอเป็นคนที่ไม่มีจิตสํานึกที่ดีไม่รู้คุณของผู้อื่นแต่ถ้านเนรคุณหมายถึงไปทําร้ายผู้มีพระคุณก็ผิดศีลแต่ถ้าไม่ตอบแทนบุญคุณนี่ไม่ถือว่าผิดศีลบางทีไม่มีโอกาสไม่มีความสามารถ ก็ไม่ได้ตอบแทนบุญคุณอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเนรคุณก็เรียกว่าอักตันอยู่แต่ถ้าเนรคุณนี้หมายถึงทําร้ายผู้มีพระคุณอย่างนี้ก็บาปเช่นไปทําให้เขาเจ็บช้าน้ําใจหรือทําให้เขาทุกข์ทางร่างกายหรื อ, อขอโมยทรัพย์สินของเขาหรืออะไรที่เป็นบาปมันก็เป็นบาปถ้าเป็นการกระทําที่ไม่เป็นบาปมันก็ยังไม่เป็นบาปแต่มันอาจจะเป็นการเนรคุณ เช่นไปด่าเขาด่าผู้มีพระคุณอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นบาปแต่นมันก็เป็นวาจาที่ไม่ควรพูดคำถามจากคุณปัณนธนัตการที่เราช่วยดูแลศาสนาสถานปัดกวาดลานวัดกวาดถูสารวัตรได้บุญเหมือนกับการให้ทานหรือไม่ครับ ก็เป็นบุญหนึ่งในสิบบุญที่ได้แสดงไว้บุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นรับใช้วัดรับใช้อะไรอย่างนี้ก็เป็นการได้บุญล้างซ่วมกวาดถูลานวัดอะไรอย่างนี้รักษาบุรณะซ่อมแซมถาวรละวัตุอะไรต่างๆเหลนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทำบุญอีกแบบหนึ่งโดยที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์ใช้กำลังของเราบางคนไม่มีทรัพย์แต่เขามีกำลังมีเวลาว่างเขาก็มาช่วย รับใช้วัดบางคนก็ไปช่วยถ่ายบาตรตอนเช้าเนี่ยถ้าไม่มีคนไปช่วยไม่ไหวนะบาทานคิ้วของกลับมาคนเดียวเนี่ย <c oughs> พวกนี้เขาก็เป็นอาสาสมัครมารับใช้วัดเขาก็ได้บุญส่วนนี้ไปหมดแล้วยังยังไม่หมดครับอาจารย์ อีกคำถามจากคุณนิยาค่ะการฟังธรรมแล้วไม่สามารถํำไปปฏิบัติตามในชีวิตจริงได้การฟังธรรมหรือการศึกษาธรรมนั้นก็จะถือว่าเปล่าประโยชน์ใช่ไหมเจ้าค่ะก็ได้ประโยชน์ในช่วงที่ฟังธรรมไได้ประโยชน์ที่ใจสงบใจรู้ผิดถูกดีชั่วถึงแม้ว่า จะได้ทำจะได้ใช้เวลาจะไปทำบาปก็จะได้ไม่ทำไงก็เพราะเราไม่ได้ทำไงเวลาจะทำบาปเราก็ไม่ไปทำบาปเราอยู่เฉยๆเราก็มีศีละ่ะแต่ถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมเราก็อาจจะไม่รู้ว่าการทำบาปนี้เป็นการผิดศีลเป็นโทษเราก็อาจจะไปทำแต่พอเราได้ฟังธรรมเราก็ไม่ทำเนี่ยเราก็แสดงว่าเราเหมือนกับไม่ได้ปฏิบัติตาม ที่เราได้ได้ยินได้เพราะเราอยู่เฉยๆบุญเราก็ไม่ได้ทำบาปเราก็ไม่ได้ทำแต่ความจริงเราได้ทำแล้วเราได้รักษาศีลแล้วด้วยการไม่ทำบาปส่วนที่เรายังไม่ได้ทำถ้าเราอยากจะทำถึงเวลามันก็ทำได้เองเพราะเมื่อมันเห็นคุณค่าของการทำตามคำสอนว่ามันมีคุณมีประโยชน์กับจิตใจก็อยากจะทำต่อไป ในบื้องตอนถ้าฟังแล้วยังไม่พร้อมยังไม่ยังไม่ว่างยังไม่มีกําลังก็รอไปก่อนฟังไปก่อนฟังไปเรื่อยๆฟังไปบ่อยๆเข้ามันก็จะเข้าใจดีขึ้นมากขึ้นจะเห็นคุณค่าของการทำตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ทำเนีย่ยเห็นการฟังธรรมนี้ก็ได้ประโยชน์แล้ว การฟังทำก็เท่ากับได้ปฏิบัติตามหนึ่งข้อละคือการฟังธทำการฟังทำตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งคอาวนี้อีกคําถามครับอาจารย์คําถามจากคุณปริชาติค่ะดิฉันมีศรัทธาแต่ขาดความเพียรมีอัตราสูงจึงปฏิบัติธรรมไม่ได้ผลกราบขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ค่ะก็ต้องลดอัตราลง เธอทำตัวเราให้เป็นเหมือนภาคกี่เิ้วหรือเหมือนเหมือนปัตตภีนะาจริงนั่างกายมันก็ทํามาจากดินน้ำหลมงใยนะร่างกายมันก็เป็นส่วนหนึ่งของปัตตภีอยู่แล้วแต่ความหลงหลอกให้เราคิดว่าเราโอ้ยสูงใหญ่โตยอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มันเป็นโมหะความหลง ที่เราใช้ความจริงมาแก้ได้ความจริงก็คือร่างกายเรามันเป็นดินยนันทำตัวเราให้ติดดินดีกว่าใครจะเหยียบจะย่ำอะไรก็ไม่ถือสามไม่กดเครื่องแล้วมันก็จะทำให้เราไปปฏิบัติทำได้หมดแล้วนะโอเคถ้าไม่มีแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา